พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่1ธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักผิดรู้จักถูกพระของเฮามาเนี้ย ต่างหมดมียี่สสองยสามทั้งเน่นพระ23ารูปทั้งพระทั้งเนนเ น, นเนนหนึ่งรูปพระยี่สบสองแล้วเมื่อวนันหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับพี่นองทังกรุงเทพประเทศชาติไทยของเน่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันหนีออกจากกันบ่ได้คือเสาหลักของประเทศชาติเดี๋ยวนี้กําลัง เปลี่ยนขั้วหรือว่าเปลี่ยนแนวความคิดความนึกคิดนะของพี่น้องประชาชนแตกแนวความคิดอนะมันบวลงร้อยกันที่ว่าอย่างอํานาจก็บฏนาย จ, จะพิชเกิดกันแต่ว่าถึงยางไงเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มใหญ่จกักแมนยังตอมแมนยังแต่เฮ้าผูกอยู่เบื้องนอกเนี่ ก, น ก, นก็จักแมนไผ่พิชจักแมนไผถือมันก็อยู่ไกลสายตาของพวกเฮ้า เกินกว่าที่พวกเฮาจะประเมินหรือพูดได้ว่าเงิไพเป็นผูแผ้แพร่ไพเป็นผู้ถูกต้องไพ่เป็นผู้พิษเฮามีแต่ว่าเออให้พวกเฮาทั้งสองฝ่ายคิดไปในทางที่ถูกนะทําในทางที่ถูกพูดในทางที่ถูกให้เป็นสัมมาทิฏฐิกันพูดใดก็ตามคิดพูดทําไปในทางมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดพวกเฮาพอเห็นด้วย จะทำให้ประเทศชาติลมจมจิ๋บหายอะแนนว่าผู้ใดคิดถูกทำทกทถทกูกพูดถูกพวกเข้าขอสนับสนุนอขอให้จะเลิ่นงงเรื่องอย่าให้มีปัญหาด้วยเทพเจ้าเล่าเทวาทั้งหลายทุกระดับขันตั้งแต่ผู้ที่ได้มาเกิดในผืนแผ่นดินไทยยุคเกา่าสมัยเกา่าในพรหมเพ็ญท่านศิลาวนาไปอยู่สวรรค์สันฟ้า ให้มองดูประเทศชาติไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเทวดาขอให้บรรลุนนบรรดาลซอยประเทศชาติอย่าให้มีกลียยุกเกิดขึ้นอขอให้ทุกอย่างให้เรียบร้อยราบรื่นอย่าให้มีความรุนแรงเทพเจ้าเราเทวาสิยามเทวาธิรัตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทวารสา ก, กลโลก ให้คุ้มครองป้องกันอย่าให้มีไพยวิบัติเกิดขึ้นต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเฮ้าพวกเฮ้าให้ตั้งจิตอธิษฐานไหวในใจคือปรารถนาดีมีความปรารถนาดีอยากให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุกขเป็นอาธรรมผู้ใดก็ตามเป็นคิดเป็นอาธรรมให้แผ่ไพ่ตัวเองผู้ใดเป็นธรรม ให้เป็นผูชนะให้เป็นผูปกครองประเทศชาติเหมือนกระถ่อมถ่อมก็เหมือนน้ำสะอาดอาถ่อมเนีเหมือนกระนำซกกระปลกฮะแต่เดี๋ยวนี้มันยังแยกกันมาออกไพคือว่าเป็นน้ำสะอาดไพคือว่าเป็นผู้ถูกต้องอแต่ว่าถึงยังไงก็ตามผู้มีหูทิบตาทิบเป็นคงจะหูจักว่าพอได้คิดดีพอได้คิดซัวพอได้ทำดีพอได้ทำซัวพอไดพูดดีพอไดพูดซัว เพิ่นจะหูจักอในพระไทยในใจของเพิน่นคันออาพวกเข่าทีไปเมาเดียวดีกันผู้นันพิษผู้นี่ถือกันจะมาหาตีกันในบวงเข่ากันอีกละ่ะพอ ก, การเมืองการบ้านเนี่ยบกควรจะเว่ากันในญาติพี่น้องในวัดในว่าขึ้นกันอก็มีแต่ว่าเออเอาทางไหนถูกต้องเอาทางนั้นทางไหนเป็นมิจร ช, ชัทิฏฐิบ่เขา่าบ่วงเข่าทางนั้นทางกิบหายจะไปเขา่าใดจังใด โบูุจักสูงโบหุจักตำ่ำโบูุจักสิงค่วรบข่วนโบูโบุจักประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่งแต่สุกเอาเผากินเห็นแก่ผักเห็งแก่พวกประเทศได้ก็ตามกลุ่มไดก็ตามถ้าเป็นทางสัน้นแปลว่าบอดีประเทศชาติชาติไทยบ่เ ม, ม็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของคนทางชาติเป็นของทุกคนต้องมีการร่วมกันมพิจารณาให้ความถูกต้องเป็นธรรมคับทุกขู่ทุกคน แบ่งสันปัทนท่วนกันใดยังใดมากกับแบ่งกันมองดูกันเกื้อกูลหนุนกันโมเมนต์ภาคนั้นโมเมนภาคนี่น โ, มมนนโมเมนค้นคุมนั้นโมมีค้นคนุมนี่โมเป็นสีนั้นสีนี่สีประเทศชาติบ้านเมืองมเมืองมเมืองไทยก็มีสามสีเท่านั้นแหะชาติก็คือทวกค้นกดเกิดมาในชาติศาสนาคือบรรพบุรุษของพวกเฮานะับถือพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ดึกตำบันเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่ดึกตำบันพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของเ้้ามาตั้งแต่ดึกตำบันคันทมอบาิ่ีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศชาติมาเป็นมิ่ผมมดคุ้มค้องตั้งแต่ดึกตำบันมาชาติไทยของเขาก็คงจะเป็นเมืองขืนของต่างประเทศเขาอย่างที่พวกเข้าเห็นรอบด้านนะั่นะ ถ้าเข้าอ่านประวัติศาสตร์เฮ้ยเรื่องมันเกาไปแล้วบม่อยากหาเบคันเข้าจุประเทศพิจิเสธจังสันอีกสักมือหนึ่งเนาะพวกลูกสาวลูกช า, ายของเข้าลูกสะใภ้ของเขานะเ้ย ส, กหหสยูกูน้อาให้หาน่าให้สูได้ยูดกินโอ๊ยมื่อจะหาเ้าบักห้างบาับ ก, บกเทา้าเมันแล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วเฮ้ยหาเบ า, เบายัง เนี่ยแหละข้ามโมนีมัณฑยอนมหาเจ้าของเพราะนั้นซิงทั้งหลายทั้งปวงมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาพอแม่เลี้ยงดูเฮ้ามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิตธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือความถูกต้องเป็นธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเฮ้า ระลึกถึงพระคุณู้ทธีรักษาประเทศชาติบ้านเมืองได้รับความรลมเย็นเป็นทุกข์มากด้วยเอาเหลือดเนื้อเสื้อใครท่าแผ่นดินมาปกป้องประเทศชาติมากก็เคิลค้นกลุ่มใดเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนีว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมากเนี่ใไห้ให้เฮาลำลึกถึงอย่างพระพุทธศาสนาห้กัน พพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพวกเฮ้าก่อนที่เหตุยังเฮ้าก่นะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอก่อนเฮ้าจิทํากิจกรรมยังก็ตามเฮ้านอลลบร่ำเรื่ถึงบ่อรบมาครู่คือตนาศาสนาตนพระพุทธศาสนา ที่ประธานเอาไวยคือประธานพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนํามาพำมสอนพวกเฮาให้หุ่จักดีหุ่จักชั่วหุ่จักบาป บ, บุญคุ้นโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อายุเจ้าอยู่แบบนี่เนอะจะล่มเย็นเป็นซุกอยู่แบบนี่เนอะจะเดือดร้อนฟุ่นไหวฮะอันนี้แหะคือพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า คนนั้นกร่ําสีเอาพระธรรมขัมศรของพระพุทธเจ้ามากปฏิบัติเลเข่าพวกเข่าจุดหนึงจึงหนอบนอมค่ายๆว่าวนอบนอมขอย่อมคละวะซะก่อนยังคอยหยิบยืมเอาธรรมําสอนของพระพุทธเจ้ามากปฏิบัติว่านั้นต้องมีประวัติศาสตร์มีบุญมีคุณค น, นบวัวล้านเขาเห็นระลึกถึงบุญคุณขัน้นธรรว่าคนอะไรก็นนาตาม โู้จักบุญคุณของผู้อืน่นดูถูกเกียดยามอันนั้นพนวัฒเป็นบุคคลที่เนรและขุนะ น, ะนนะเนรและขุนคนไม่รู้จักบุญคุณของคนอันนั้นเป็นหนทางแห่งความจีบหายตามหลักธรรมขําสอนของพระพุทธเจ้านะอันนั้นขอให้พวกเฮาเน้อคณะชาตาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบกันกลองไตรตรองเหตุและผลพวกเฮาอยู่ห่างแต่ถึงอย่างไ ร, งงไรนะจะไงในกัตนี่ยนละ มันคงจะมีเรื่องมาล้มมาตุ่มกันพอสมควรนะ่ะในเมืองไทยของเข้าในโช่วงนี้ก็น่าคิดยุ่งขึ้นกันน่ะหลวงพ่อของพระศรีซอยแบบใดนี่เธอซอยเธอเออเทพปปเจ้าเราเทวะเนอผู้ใดเป็นได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลพระโสดาพระสกทาฆ่ า, าหน้าฆ่าย่อมท่านถึงสําเร็จเป็นพระหัน์จึงจะในกับบันดลบันดาลซอยประเทศชา ต, ชาติชาติไท ย, ยใหญ่มีอุปสรรค ให้ลาบลืน่นให้ไปนในทางที่ถูกต้องให้ช่วยผู้มีถ้ำผู้ใดเป็นธถ้ำช่วยผู้นั้นละ่ะกันเป็นอา ร, รมให้ให้แพ้ไพ่ตนเองใ ห, ให้แพ้ไพ่ตนเองอแต่กระบอบ่ให้จิบหายวันไปเอแต่ว่าให้ย่อมให้สํานึกผิดในจิตในใจคือกันกับเท ว, วทัฏน์เนี่ยเทวทัฏฏ์เนี่ยพ้โค้งสุดท้ายก็เออข่าวพระเจ้าได้คิดบดุตรอิริยยอมสารภาพผิดแล้ว เอข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่บูชาย่ออมสารภาพผิดข้าพเจ้าขอเอาขากันไก่คือข้าง เ, เอบูชาพระพุทธเจ้าประทรมประสงค์ด้วยเทินขอคลวะขอสัมมาลาโทษอย่าให้ผู้ขาเป็นบาปเป็นกรรมที่ข้าพเจ้าคิดมาแล้วทํามาแล้วเหตุมาแล้วมันผิดย่ออมรับผิดสารภาพผิดแล้วนี่ยนี่แหละเทวทัตก็ยังยอมรับโค้งสุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าผล น, นี้ละ เทวทัต ย, ยอมรับโข่งสุดไทยนี่แหละที่เล่าเทวทัตมาบวชเนี่ยคณาว่าเทวทัตมาบวชเนี่ยเทวทัตจะบูชจักษ์บาบุญคุ้นโทษจริงควรบอกคว้แต่ในเทวทัตเห็นดันทุลังอยู่ออในขณะจังมีชีวิตอยู่เน่ยแต่ว่าโงชุดไทยแผ่นดินสูบเทวทัตหอดข้อลเละเพียงข้อลเลยนะเทวทัตเกิดมีแต่ อ, อกขากันไกรลงไป เมื่อกระขืนโมทัย ไ, ได้แผ่นดินดูดเลยเอาขากันไก่ขอกราบฆรวะสประพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ขอสารภาพพิษพ่อสารภาพพิษแผ่นดินโศกลงไปอีกลงไปสู่มหาเอาเวจีมหานรกออพออลงไปชั่ว เ, เวจีมหานรกแล้วกันพ่อพ้นขืนมาก็จะได้ไสกรรมพอ่อไสกรรมขึ้นมากแล้วบานเนี่ยพระเทวทัตนี่ ย, ยังได้รับพยากรอนเนี่ย พระพุทธเจ้าเปนบอกว่าเทวทัตเนี่ยจึงจะซัวขนาดไหนแต่ว่าเขาสารภาพในความพิษของเขา เ, าเขาได้เอาขากันไก่ข้างบูชาพระพุทธเจ้าประทรมพระสงฆ์เขาสารภาพพิษในการกระท่ำของเขาเพราะนั้นเมื่อเขาพ้นจากบาปกรรมเมื่อพ้นจากนรกแล้วเขาจะมาเกิดเป็นคนเขาจะได้เป็นพระประเจกผู้หนึ่งในอนาคต จะได้ตัสรูเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแต่ว่าพระประเจกเมื่อพ้นในตัสรูแลพ้นในบรรลุเป็นพระประเจกแล้วนะเวลาพ้นสิีวอกคำใดเนี่ยพ่ออาปากเว้าเลยนะปากนี่แม่นคนจนคนทั้งหลายอัดดังน้าโมท่านพูดเรานั้นไปพอเหตุใดพราะบาปกรรมพราะบาปกรรมหาเรื่องหาโทษใส่พระพุทธเจ้าหาโทษใส่พระทรบคาสอนของพระพุทธเจ้า บาปกรรมสนันจนเต็จเป็นวิบากกรรมของเทวทัตถึงเพลินจะได้สําเร็จเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแลว้วก็ตามฮะแต่ว่าเพิิอนอ้าปากขึ้นมาที่ฟังอีกย่างหนึ่งโค้นอัดดังไปพระท่านบอกว่าเหม็นวันนั้นไปเหม็นเหม็นกินของพระเทวทัตนี่ยที่เป็นพระประเจกแล้วนะการนะเป็นพระประเจกแล้วนะยังได้ใช้วิบากกรรมของเพิินนะอันนี้เข้ากับให้ฟังเอาไว้อันนี้คือพระพุทธเจ้าเพิินพยากรทำหน้าให้ แต่ยังดีดีจังไดก็คือเทวทัตยังใดรับพยากรเดถึงจังไดจะได้รับพยากร์ว่าจะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะคงจะดีกว่าเฮ้าไนอะ้พวกเฮ้าเนี่ยได้รับพยากรหรือบอนยังพระองคุจักขึ้นกันเพราอนั้นให้พวกเฮ้าสัาง่งคุณงามความดีนะสั่งบุญกุศลเอาไว้ในการที่จะพูดจะกล่าวยังก็ตามออกไปเฮ้าต้องคิดให้ดีซะก่อน การคิดโบดีเนี่ยการกล่าวการพูดยังออกไปตัวเองบบชัดโบเจนมัวเมียบอ่าไปปกป้องขางนึงไปรักษาขางนึงไปดา่าขางหนงึ่งบางทีมันก็เป็นความจริงเนี่นี่แหละจะเป็นมูของเทวทัตไปหอปเปออเป็นหมูของเทวทัตเทวทัตซ้อนไปแล้วเราไปลงไปสู่อเวจีเพราะะฉนั้นพวกเข้าให้ระมัดระว่างเน้อเออให้ระมัดระวังคําพูดคาจาทุกคนนั่นแหละตั้งแต่หลวงพ่อน่ะเป็นต้นไปนะหลวงพ่อกล่าวว่างขึ้นกันได้ ขันโบนชัดโบเจดหลวงพ่อชิ่บอกบางที่ก็ุดออกไปขึ้นกันนะพอความเห็นว่ามันเป็นอย่างท่านะแต่วางข้างพอมันผ่านออกไปโอใใ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเอออันนี้ก็เคยมีอยู่ขึ้นกันพัดนั้นคอยพวกเข้าทุกขุทุกคนสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินนะรับพรนบ า, านีนะโนโมทนาให้พร